สวัสดีครับเรื่องเล่าสอยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณพลานถ้ำชีวิตผมอยู่ในป่าดงซะเป็นส่วนใหญ่ผมเบื่อหน่ายสังคมเมืองหน่ายกับชีวิตที่มีแต่การแข่งแย่งแข่งขันผมออกจากงานย้ายเข้ามาทำไร่อยู่ในป่าถ้ำกลางเสียงคัดค้านของพ่อแม่เพื่อนฝูงบางคนบอกต่อหน้าผมว่า เองอยู่ได้ไม่นานก็ต้องกลับกรุงเทพคนเมืองติดแสงสีอย่างพวกเราทนเหงาไม่ไหวหรอกมาอยู่กลางทุ่งกลางป่าแบบนี้หน้าคนยังแทบไม่มีให้เห็นเจ้าของไรไกลที่สุดก็อยู่กันคนละฟากภูเขาบางทีครึ่งค้อเดือนผมยังไม่เจอหน้าใครเลยเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผมเจอมาหนักที่สุดนะครับ ผมเดินป่าไปในเส้นทางที่ห่างจากบ้านมากเดินไปเกือบอาทิตย์ผมเดินวันหนึ่งจะไปได้ไม่ไกลมากเพื่อนผมที่เป็นนักกีฬาพอแบกสัมภาระขึ้นหลังแล้วยังเดินตามผมไม่ทันเลยการเดินในป่าต้องปีนป่ายมุดรกลอดน้าลุยน้าหนทางก็มีทั้งหลุมทั้งเนินก้อนหินเถาวันต้นไม้ล้ม พงหนาขวางทางแต่ผมก็เดินไม่เก่งเท่าพวกพลานชาวบ้านเห็นพลานผอมๆตัวเล็กขาสั้นแต่เดินเร็วกันมากก้มมุดหลอดสมไม้สบายผมเดินสำรวจเส้นทางใหม่ไปเรื่อยสเสบียงกับน้ำดื่มและของใช้จำเป็นต้องมีติดตัวไว้ตลอดวันนั้นบ่ายแก่แกฟ้าครึ้มส่อแววว่าฝนจะตกหนัก ผมเร่งเดินหาทำเลที่พักแล้วฝนก็โปรยลงมาบางๆผมจำเดินต่อไปไม่ยอมหยุดเดินมาถึงชายเขาที่เป็นหน้าผาหินมองเห็นถ้ำก็วิ่งไปดูเผื่อได้หลบฝนปกติถ้าฝนไม่ตกผมจะไม่พักในถ้ำเนื่องจากถ้ำมักเป็นที่อยู่ของงูเสือหมีหรืออย่างน้อยก็ตะขาบแมงป่อง ทำที่มีค้างคาวยิ่งไม่น่าพักเพราะสกรปกจากมูลค้างคาวอากาศก็อับชื้นหายใจลำบากแต่ตอนนี้หลบฝนในถ้ำย่อมดีกว่านั่งคลุมผ้าใบเป็นไก่ป่วยอยู่ข้างนอกถ้ำนี้กว้างใหญ่อากาศถ่ายเทดีไม่มีร่องรอยของสัตว์ใหญ่อาศัยอยู่มีก้อนหินใหญ่ระเกะระกะในบางช่วงเดินสองไฟลึกเข้าไปประมาณ50เมตร ก็เห็นว่าเป็นสุดทางที่จะไปต่อได้ก้นถ้ามีแค่ช่องโผลงแคบที่ถ้าจะเข้าไปก็ต้องนอนเลือ้อยมุดเข้าไปไม่รู้ว่าข้างในจะลึกไปแค่ไหนผมไม่ได้ใส่ใจเพราะต้องการแค่มาหลบฝนเท่านั้นภารกิจต่อไปก็คือรีบออกจากถ้าก่อนฝนตกหนักเพื่อไปหาฟืนมาตุนเอาไว้ผมออกมาแถวหน้าถ้าได้ไม่ไกล ก็มีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นตายที่จะตัดเอาไปทำฟืนได้มากพอจะสมไฟได้ทั้งคืนก่อไฟหุงข้าวกินกับเนื้อแห้งเสร็จแล้วผมก็เงียบหลับไปท่ามกลางเสียงฝนโปรยพลยในป่าจะมืดเร็วผมลืมพกนาฬิกาพอหลับไปก็ไม่รู้เวลาที่แน่นอนหลับไปได้ไม่นานก็มีบางอย่าง ทำให้ผมสะดุ้งขึ้นมาผมหยิบไฟฉายส่องไปแล้วก็ต้องสะดุง้งเพราะเห็นคนมายืนอยู่หน้าถ้ำผมตกใจนึกอะไรไม่ออกรีบกดไฟฉายให้ส่องลงพื้นไม่ส่องไปใส่เขาแล้วก็พูดว่าลมฝนเหมือนกันเถอะครับเขายังยืนนิ่งอยู่ผมก็บอกไปว่าเข้ามาข้างในสิครับตอนนั้นไฟในกองมันหรีลงมาก ผมซุนฟื้นเข้าไปก็เริ่มมีแสงสว่างขึ้นเห็นหน้าเขาชัดขึ้นเป็นผู้ชายอายุสักประมาณห0กว่าาผมหงอกขาวแต่งตัวแบบชาวบ้านป่าสะพายปืนแก๊ปกระบอกยาวกับย่ามสีกระดำกระด่างบอกยี่ห้อพลานป่าเต็มตัวผมถามว่ากินข้าวหรือยังผมมีข้าวนะแกก็ไม่ตอบอะไร เดินเข้ามานั่งฝั่งตรงข้ามผมแต่ห่างกองไฟออกไปผมเห็นแกไม่พูดไม่จาผมก็เลยเงียบบางผ่านไปนานแกก็พูดขึ้นมาว่ามาจากไหนผมก็ตอบแกไปพอถามว่าแกมาจากไหนบ้างแกก็บอกแถวแถวนี้ถามไปถามมาได้คําตอบไม่กี่คําชวนแกกินข้าวแกก็สายหน้า สักพักก็ลุกไปทางมุมถ้ำด้านในลึกๆแล้วล้มตัวลงนอนในซอกหินซะอย่างนั้นแกงเงียบไปคงจะหลับไปแล้วแทนที่จะนอนใกล้กองไฟดันไปนอนทางก้นถ้ำไม่กลัวหนาวก็ควรกลัวงูเงี้ยวบ้างผมเจอพลานป่ามาก็มากไม่ยักเจอคนที่ดูไม่เป็นมิตรขนาดนี้ ผมยกไม้ท่อนใหญ่มาวางพาดกองไฟให้มันติดไฟคุไปทั้งคืนหล้มตัวลงนอนบ้างแต่เพื่อความไม่ประมาทปืนถูกวางไว้ข้างตัวอยู่ในท่าตเตรียมพร้อมที่จะยกขึ้นมาใช้ได้ในทันทีมีดอินเนปประจำตัวก็อยู่ในตำแหน่งที่จะคว้ามาใช้ได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนอนหลับไปนานรู้สึกตัวตื่นอีกที เมื่อได้ยินเสียงลมฝนกระหนำหนักผมยัดไม้ฟืนเข้าสมกองเป่าจนไฟติดดีเอามืออังไล่ความหนาวเลือบมองไปทางลุมพลานป่าก็เห็นไม่ถนัดเห็นแค่เงาซอกหินที่แกนอนเรือนรางในมุมมืดในถ้ำตอนนั้นเริ่มมีน้ำซึมลงมาตามผนังเพดานถ้ำบางแห่งก็มีน้ำหยดเปาะแปะ ไม่รู้ทางก้นถ้ำที่ลุงนอนจะเปียกหรือเปล่าพื้นถ้ำน่าจะต่ำกว่าทางที่ผมนอนแถวๆนี้ยังฉ่ำเลยทางแกน่าจะเปียกชุ่มแล้วแกนอนอยู่ได้อย่างไรจะเดินไปดูก็ไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวแกระแวงยิงสวนตูมขึ้นมาผมก็ตายเปล่าแกนอนไม่สนใจฟ้าฝนเอาเสียเลยผมนอนไม่หลับแล้ว พื้นชักเปียกหนาวด้วยยกหม้อขึ้นมาต้มน้ำร้อนแกล้งทำเสียงโคลงเคลงให้แกหนกหูจะได้ตื่นมาพูดจากันบ้างต้มน้ำจนเดือดสุดหมดไปถ้วยหนึ่งลุงแกก็ยังเงียบอยู่แกเป็นอะไรไปหรือเปล่าผมอดทนไม่ไหวลุกขึ้นเดินไปทางก้นถ้าส่งเสียงเรียกนำไปก่อน ว่าลุงลุงไม่มีเสียงขานรับเดินใกล้เข้าไปอีกเรียกไหมว่าลุงกินน้ำร้อนไหมนอนไม่หนาวเหรอผมชักใจไม่ดีคราวนี้เรียกดังๆเลยลุงเป็นอะไรหรือเปล่าผมจะเดินเข้าไปอย่ายิงละ่ะไม่มีเสียงตอบผมชะเง้อมองไปตรงมุมที่แกนอน ก็มองไม่ถนัดเพราะว่ามันมืดผมบอกอีกว่าลุงผมจะฉายไฟไปนะแกไม่ตอบผมก็ฉายไฟส่องไปที่มุมที่แกนอนแต่ไม่มีคนผมส่องไฟกวาดหาตรงมุมอื่นก็ไม่เห็นหลังแกหายไปไหนในใจผมตั้งคำถามพร้อมๆกับความรู้สึกเย็นวาบที่กลางหลังขนลุกสู้ไปทั้งตัว เอาแล้วไงลุงเล่นเราซะแล้วคิดในใจมาเสียเดี๋ยวนั้นผมนั่งสวดมนต์แผ่เมตตาสงบจิตใจให้นิ่งลมฝนข้างนอกก็เบาไปแล้วทัฟ้าสว่างฝนหยุดเมื่อไหร่จะได้ออกเดินทางออกไปคงมุ่งเข็มกลับบ้านถ้าไม่มีเหตุการณ์คุณลุงหายตัวปริศนาผมคงเดินหน้าสำรวจไปต่ออีกวันสองวัน คอยเดินทางกลับรุ่งเช้าฟ้าสางฝนหยุดไอหมอกขาวไปทั่วป่าเก็บของเรียบร้อยผมเตรียมตัวออกเดินทางแล้วก็นึกอยากให้หายสงสัยขึ้นมาผมก็เลยเดินไปทางก้นถ้ำตั้งใจว่าต้องส่องไฟฉายดูให้ทั่วพอส่องไฟไปถึงซอกหินที่ลุงนอนเมื่อคืนเท่านั้นแหละผมก็มั่นใจเต็มร้อย ว่าลุงพลานเมื่อคืนหายไปไหนตรงซอกหินนั้นโครงกระดูกเก่าจนเสื้อผ้าเปื่ อ, อยผุกระดูกกระจัดกระจายคล้ายรอยสัตว์กัดแทะหัวกระโหลกอยู่ทางไหนมองไม่เห็นแต่สิ่งที่ยืนยันว่าเป็นกระดูกคนแน่ก็คือมีปืนแก๊ปกระบอกยาวสนิมเคิะกเกิรกกลังอยู่ในซอกหินผมมั่นใจ